เธก็ยังทําพวกอย่างบางทีอ่ะนะอย่างในยุคนี้คนก็ฟุ้งซ่านไม่ใช่น้อยเนี่ยในะการนับลมบ้างก็ช่วยได้เยอะเนะี่ยก่อนจะเจริญก่อนจะอะไรเนี่ยนะนะก็นั่งรบนับลมบ้างอนะ่ะลมหายใจเนี่ยนะนะนับหนึ่งให้ถึงสิบสักทีหนึ่งอนะ่ะใครนับลมตัวเองได้ถึงสิบนี่เก่งแล้วนะถ้าได้สักสิบรอบด้วยยิ่งเก่งอ่านะนับลมคือรับหนึ่งถึงสิบโดยที่ไม่ไปเรื่องอื่นได้นี่เก่งแล้วนะ บางทีนับไปนับมานี่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวใครที่แบบคคุยทั้งหลายแหละเนี่ยลองไปนั่งนับดูเถอะนะบางเหตุการณ์เนี่ยนะยิ่งแบบในนั่งบางแห่งด้วยนะหนึ่งเข้าหนึ่งออกสองเข้าสองสองอกไปเรื่องเลยนะเอ๊ะเท่าไหร่แล้วเนี่ย <laughs> ดีไนดะ้ดีจะนับลมไม่ถึงสิงนะนับก็ว่าไปเล่นไปนะอุทจาคมันกำเริบมันยากมากอะ แต่ท่านนับได้อย่างต่อเนื่องยาวๆเป็นเป็นหลายหลายนาทีได้หรือเป็นชั่วโมงได้เนี่ยนะแล้วอามาตรึกธรรมะโดยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สู้ยากอะไรเนี่ย น, นะที่เป็นปัญหาก็คือมันนึกเรื่องนิดๆเอาเรื่องโน้นมาหน่อยเอาเรื่องโน้นไปนิดเนี่ยอะไรนี่ก็เลยไม่ได้การในงานสักทีในการทํายาตาปริญญาเนี่ยนะเพราะอะเหตุใกล้ของยาตาปริญญาคืออะไรสมาธิเนี่ย น, นะสมาธิเป็นเหตุใกล้ของยาตาปริญญา ก็มีอยู่นะบางครั้งเนี่ยมันฟุ้งเอ๊ะอะไรก็นึกไม่ได้เห้เราก็สวดมนต์ได้ตั้งเยอะทําไมเราไม่สวดนะก็เลยนวดความคิดด้วยการสวดมนต์กันวอร์มกันพอสวดไปเรื่อยๆนะสวดสักสี่ห้าบทสิบบทยี่สิบทไปเรื่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เบาแล้วนะอ่อนควรแก่การงานได้เั้นใครที่เนี่ยนะเปิดหนังสือสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะนะฝึกให้จิตมันเป็นระบบก่อนนะเรียงระบบของความคิดให้มันเป็นเป็นเป็นเรื่องเดียวอนะ เป็นแนวเดียวได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆการสวดมนต์นี่ก็ดีแล้วก็บทเนี่ยบทที่เราจะสวดเราก็เลือกบทที่ว่าสวดแล้วตอนหลังเราต้องเอาบทเหล่านี้มาตรึกให้ได้แต่ตอนแรกเนี่ยนะมหาภูษญานวิปยุทธ์ก็ดีกว่าบางคนเนี่ยมันจะอเอะจะเอาแต่ยานสัมปยุทธ์อย่างเดียวเลยนะก็ยานวิปยุทธ์ก็ให้เกิดเธอเนี่ยนะสวดไปก่อนคือหลายๆคนที่เป็นชาวพุทธอย่างน้อยก็สวดได้อยู่แล้วใช่ไหม อย่างอิติปิโสนี่ก็สวดนะนะเอานี่มันฟุ้งเต็มที่ไล้นะจะขอสวดอิติปิโสถ้าอายุก่อนเนี่ยนะก็โอ้ได้ตั้งหลายนาทีได้ใช่ไหมกุศลจิตก็เกิดไปตั้งเยอะนะถึงใจยานวิทย์ประยุทธ์บังก็ยังดีอะ่ะก็อิติปิโสถ้าครบอายุเนี่ยนะหลายนาทีเหมือนกันนะสงบไปเยอะแล้วนะอันก็ต้องฝึกเจริญเนี่ยนะให้ให้ดีๆนะแต่ก็อย่างว่านะพวกยุคที่อินทรีย์ สัทธาเป็นต้นอ่อนนี่ก็มันทุกขาปฏิปทาจริงๆพวกทุกขาปฏิปทานี่คือปฏิบัติแล้วก็อกุศลมันแทรกเป็นระยะระยะเดี๋ยวก็อกุศลเกิดเดี๋ยวกอกุศลเกิดนี่แหละเรียวกว่าทุกขาปฏิปทาบรรลุก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ก็ทันทาพินยัยกรรมเข้าตำรามหมดเลยนี่สรุปว่าการทําปริญญาเนี่ยนะใครที่เรียนปริเชษหนึ่งสองหกมาดีหน่อยก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรละเนี่ยนะที่จะเอามาทําปริญญา อย่างเช่นถ้าจำอะไรไม่ได้ก็รูปลักษณะสลายไปเวทนาสเสวยอารมณ์สัญญาจำหมายในอารมณ์สังขารไปคิดปรุงแต่งโดยประการต่างๆในอารมณ์อ่ะนะจริงๆมันก็ปรุงแต่งตัวเองนั่นแหละเพราะโดยที่มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์วิญญาณก็รู้แจ้งอารมณ์นะั้นธรรมชาติที่รู้แจ้งในอารมณ์เรียกว่าวิญญาณนั้นถ้าเราหมั่นพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆ แล้วก็รู้พิจารณาต่อบอีกใช่ไหมว่ารูปเกิดเพราะอะไรเกิดอาหารเกิดนะรูปทุกรูปนะเช่นรูปกระขันไทยมักไม่ต้องอยู่ด้วยอาหารนั่นก็อยู่ด้วยอาหารกันทั้งนั้นนี่นี่อยู่พระเถระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านถามพระน้องชายของท่านบอกขอให้ท่านสอนกรรมาฐานให้ผมสักอันหนึ่งเถะน้องชายของท่านบอกหลวงพี่กําหนดกับพระลิงกะลาหารสิเห็นไหมเขาบอกดียังไงกับพลิงกะลาหาราบอกถ้ากับพระลิงกะลาหาร แจมแจ้งหรือปรากฏเนี่ยนะมหาพูดเป็นต้นก็จะปรากฏรูปที่อื่นก็จะฉับงนั้นกับพลินกระหานนี่มันเป็นที่มาของของร่างกายจริงๆเราเราก็น่าคิดนะว่าเราเติมตัดใจให้รูปประกายวันละสามมือที่ที่เป็นหนักๆหน่อยนะที่เป็นเบาๆอีกเช่นน้ําเป็นต้นก็ก็เติมบ่อยอะ่ะนี่คือเติมกับพลินกราหานให้แก่รูปประกายเติมเวทเอ่อเติม ภาษะเพื่อเติมให้เวทนาเนี่ยนะเราเพิ่มภาษะให้เวทนาตลอดเลยเนะียหาภาษาเพื่อเวทนาเนี่ยห า, หาภาษาทางตาบ้างให้เกิดเวทนาหาภาษาทางหูให้เกิดเวทนาหาภาษาทางจมูกให้เกิดเวทนาเนี่ยนะภาษาในทวารต่างๆเป็นเหตุแห่งเวทนญญาภาษาเป็นเหตุแห่งสัญญาภาษาเป็นเหตุแห่งสังขารก็เหมือนอย่างที่ว่าถ้าไม่เห็นก็ไม่โกรธซินเพราเห็นนี่แหละจึงโกรธใช่ไหม เพราะภาษานั่นแหละจึงเสียใจเพราะภาษานั่นแหละจึงจึงเครียดนะก็บางเรื่องอนะที่ถ้าเราไม่เห็นไม่ได้ยินก็ไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับกับสิ่งนั้นนั้นนะบางอย่างนะของเราเสียหายตั้งเยอะนะแต่เราไม่รู้อ่ะไม่ได้รับภาษาก็เลยไม่มีอะไรนะตอนหลังรู้เขา้าอเดือดร้อนนะก็ <c oughs> รับภาษาเมื่อไหร่ก็ก็ทุกข์เพราะโทรมาณฑ์เป็นต้นก็มีภาษานั่นแหละเป็น ปัจจัยสัญญาเวทนาขันสัญญาขันสัง ข, ขารขันก็เพราะทักษะเป็นปัจจัยถ้า ว, วิญญาณขันก็คือนามรูปเนี่ยนะก็คือทั้งวัตถุอารมณ์สัมปยุตธรรมเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญของวิญญาณขันการที่รอบรู้รูปพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็คูณการสามได้เป็นอย่างดีเรียกว่ายาติปริญญาก็เข้าใจว่าเอานามรูปขันห้าในปัจจุบันเกิดด้วยปัจจัยฉานใด ในอดีตก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยฉันนั้ น, นันผู้ที่มีกรรมมศกตาดีๆเนี่ยนะก็จะเข้าใจชัดดีแล้วสิ่งใดก็ตามที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเช่นรูปเนี่ยเมื่อดำรงอยู่ด้วยอาหารเนี่ยถ้าสิ้นอาหารละ่ะรูปก็สิ้นน่ะอย่างกายนี้ใช่ไม่กายนี้อยู่ด้วยอาหารถ้าอาหารนั้นท่องไปเสียหายไปหรือเกินไปหรืออาหารที่วิบัติรูปก็ วิบัติเป็นต้นเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าไม่ความไม่เที่ยงของของรูปรูปังอนิจจังรูปังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้แหละเรียกว่าติยรนะปริญญาั้นการพิจารณาเรื่องอ น, นิจจงเนี่ยนะใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยถ้าหากว่ายาตะปริญญาไม่ดีหรือปัจจะญาติกหายาณไม่ดีเนี่ยมันจะต่อด้วยอะไรทิ่ติอุเฉทธทิฏฐิ บางอย่างเป็นอุเฉททิฏฐิบางอย่างเป็นอาคีริยะทิฏฐิคือเมื่อมันคิดไปคิดมาเอ๊ะอะไรก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นหมดแล้วเราจะไปทําอะไรเนี่ยใช่ไหมมันจะต่อด้วยอาคีริยะทิฏฐิทันทีถ้าไม่รอบรู้ปัจจัยไว้เป็นอย่างนี้นะเอ้าทุกอย่างทุกอย่างเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงทยํายังไงมันก็ให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ย ง, ร, อ ง, อยงร้องยังไงมันก็ไม่เที่ยงมันไปเที่ยวดีกว่า่านะ อย่า ง, งชายหนุ่มบางคนเนี่ยนะที่ก่อนจะเป็นเอจเนี่ยพ่ออะไรมาเออเดี๋ยวเราก็แก่ก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นก็เที่ยวให้มากๆไว้ก่อนนะนะก็เลยรีบตายสมพรสมควา ม, มคิดเลยแหละเพราะนี่คือคือไอความคิดถึงอ น, นิจจ์ทุกขังอนัตตาที่ไม่ไม่มีโยนิสโสมนสัสการหรือเข้าใจไม่เพียงพอเหมือนกับอย่างว่าพอพ อ, พอทําอะไรเสียหายปั๊บเนี่ยนะไอความที่ตัวเองสับเท่าก็เลยบอกว่า อันนี้จังเนี่ยนะเพราะอันนี้จังที่ไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยนั้นเสียหายมากเพราะฉะนั้นคุณธรรมประเภทกตันยูตานี้สําคัญคําว่ากตันยูนี่เราเคยคิดไหมว่ า, ว า, วากตันยูแปลว่าแปลว่าระลึกถึงกระแปลว่ากายก่อนใช่ไหมในก่อนยูก็คือรู้อ่ะรู้สิ่งที่ทําไว้ก่อนแล้วอ่ะกตันยูตาเนี่ยความรู้ในสิ่งที่ทําไว้ก่อนแล้วอ่ะไอสิ่งที่ทำไว้ก่อนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ทําไว้เองอย่างหนึ่งกับที่คนอื่นเขาทําให้อย่างหนึ่งัง้นคําว่ากตันยูเนี่ยนะแล้วลึกถึงบุญที่ตัวเองทําก็ชื่อว่ากระตันยูเนี่ยนะหรือแล้วลึกถึงสิ่งที่ได้รับจากคนอื่นแล้วก็น้อมไประลึกถึงคุณของเขาอันนั้นก็เป็นกระตันยูเพราะกตันยูนี่แบ่งออกเป็นสองส่วนพื้นฐานถ้าใครกระตันยูเป็นคนแบบนี้นะคนเหล่านั้นเนี่ยจะเจริญประทัดฐานนะาระก็ได้ ยาตะปริญญาก็ก็จะดีถ้ายาตะปริญญาเหล่านี้ดีนะไตรลักษณ์จะไม่มีปัญหาเพราะว่าความรู้อริยศาสตร์เนี่ยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพระองค์จะสอนให้คนที่มีกรร ม, มสกตาเป็นอย่างดีอยู่แล้วกรรมกรรมเที่ยงไหมไม่เที่ยงผลของกรรมเที่ยงไหมไม่เที่ยงและกุศลให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อ่ะเออกุศลให้ผลเป็นสุขใช่ไหมอกุศลก็ให้ผลเป็นทุกข์กุศลเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง วิบากเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าอากุศลเกิดมากอะไรจะเกิดอา ก, อากุศลก็เกิดถ้ า, ากุศลมันเกิดมากให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ผลเหตุมากผลมันก็ต้องมากไปด้วยทำอากุศลมากทุกข์ก็มากอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ไม่เที่ยงเหตุก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงแต่อะไรมันเกิดบ่อยอันนั้นก็จะแย่แล้วใช่ไหมถ้าอากุศลเกิดบ่อยแย่แน่ ท่านในการรู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยที่มีกรร ม, มสกตาเป็นอย่างดีเนี่ยจะทําให้เกิดความภาคเพียรพยายามทีนี้การภาคเพียรพยายามที่จะน้อมไปพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละแล้วก็ไข้ควรตามนี้บ่อยๆนั่นแหละเป็นตีรณะปริญญาเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นอะไรหรือรับอารมณ์อะไรอนะตั้งโจทย์แบบวิทยาหาราก่อนว่าสิ่งนั้นคืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะ ถ้าเราจะคิดถึงตาเนี่ยตาคืออะไรตาเกิดจากอะไรเนี่ยนะ่ตั้งคำถามในลักษณะนี้บ่อยๆก็ได้ปรีปุดช้าบ่อยๆแล้วเราจะเจริญได้มากใครที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับพระพุทธคุณมากคนนั้นเจริญพุทธคุณได้มากใครที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับขันธ์ธาตุอายตนะนามรูปได้มากคนนั้นเจริญวิปัสสนาได้มากเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเจริญวิปัสสนาที่จะพิจารณาให้ดีหน่อยตั้งคาถามก่อน ตั้งตั้งปุชาก่อนใช่ไหมแล้วก็วิสัชนาไปตามนั้นไปตามนั้นไปตามนั้นไปพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดธรรมะเนี่ยพระ อ, องค์ตั้งปุชาก่อนไหมตั้งเป็นข้อปุจชาก่อนอย่างยกตัวอย่างว่าอะไรเนอเป็นอัศธ า, าอาทีนวานิสรณะของธา 4. ตุสี่องค์ตั้งเป็นคาถามก่อนเลยหลังจากนั้นพระองค์ก็สแสวงหาคําตอบโอท่าตสี่เนี่ยก่อให้เกิดสุขโสมนัสสุขโสมนัสอันใดที่อาศัยท่าตสี่นี่แหละคืออัศธ า, าของท่าตสี่ ความที่ธาตุสี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตนี่แหละเป็นอาทีนวะของธาตุสี่กาจัดฉันทราค้าในธาตุเหล่านี้ได้เป็นในสนนะของธาตุสี่พันตีระณะปริญญาคืออะไรคือการเห็นอาทีนวะของของของเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือนามรูปเป็นต้นนั่นเอง